จึงเสด็จลุขึ้นจากพุทธอาฏเข้าไปยังพระวิหารลําดับนั้นเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงหลีกไปไม่นานภิกษุเหล่านั้นจึงได้ปรึกษากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยย่อว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้ว ควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารเสด็จลุกขึ้นจากพุทธอาฏเข้าไปยังพระวิหารใครหนอจะพึงจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดา น, นี้ให้พิสดานได้ลำดับนั้นภิกษุเหล่านั้นมีความเห็นร่วมกันว่าท่านอานอนนี้แลพระาศาสดาทรงสรรเสริญแล้ว และเพื่อนโรมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็ยกย่องท่านสามารถจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดานนี้ให้พิสดานได้ทางที่ดีพวกเราควรจะเข้าไปหาท่านอานน์ถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความนี้กับท่านและจักทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่ท่านตอบแก่พวกเราครั้นแล้ว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 ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารเสด็จลุกขึ้นจากพุทธาฏเข้าไปยังพระวิหารผู้มีอายุเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงหลีกไปไม่นานพวกระผมได้ปรึกษากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคของเราทั้งหลายทรงแสดงอุเทศนี้โดยย่อว่าภิกษุทั้งหลาย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 ผู้มีอายุพวกกระผมได้มีความเห็นร่วมกันว่าท่านอานน์นี้แลพระาศาสดาทรงสรรเสริญแล้วและเพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็ยกย่องท่านสามารถจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดานนี้ให้พิสดานได้ทางที่ดีพวกเราควรจะเข้าไปหาท่านอาน น, น์ถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความนี้กับท่าน และจากทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่ท่านตอบแกพวกเราขอท่านอาโนนจงจำแนกเถิดท่านพระอานนนกล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายเมื่อพระศาสดาประทับอยู่เฉพาะหน้าผู้มีอายุทั้งหลายท่านทั้งหลายละเลยพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเสียสำคัญเนื้อความนี้ว่าควรถามข้าพเจ้าเปรียบเหมือนบุรุษผู้ต้องการแก่นไม้สแสวงหาแก่นไม้เที่ยวแสวงหาแก่นไม้อยู่ เมื่อต้นไม้ใหญ่มีแก่นมีอยู่ก็มองข้ามรากและลำต้นไปเสียสำคัญกิ่งและใบว่าเป็นแก่นไม้ที่ตนพึงแสวงหาพระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นเป็นผู้มีพระจักสุขมีพระญาณมีพระธรรมเป็นผู้ประเสริฐตรัสบอกได้ทรงให้เป็นไปได้ทรงแสดงประโยชน์ประทานอมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตาคตทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นก็เวลานี้แหลเป็นเวลาสมควรที่ท่านทั้งหลายพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนี้พึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตอบแก่ท่านทั้งหลายภิกษุนั้นเรียนว่าท่านอาน o ์พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงเป็นผู้มีพระจักสุมีพระญานมีพระธรรมเป็นผู้ประเสริฐตรัสบอกได้ ทรงให้เป็นไปได้ทรงแสดงประโยชน์ประธานอมตะธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นพระตถาคตทรงรู้ธรรมที่ควรรู้ทรงเห็นธรรมที่ควรเห็นก็เวลานี้แหลเป็นเวลาสมควรที่กระผมทั้งหลายพึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนี้และทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตอบแก่พวกกระผมอย่างแน่นอนท่านอานนท์เอง พระศาสดาทรงสรรเสริญและเพื่อนโรมจารีผู้รู้ทั้งหลายก็ยกย่องย่อมสามารถจะจำแนกเนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดานนี้ให้พิสดาลได้ถ้าท่านอานนท์ไม่มีความหนักใจแล้วขอจงจำแนกเถิดพระอรนนท์กล่าวว่าผู้มีอายุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นขอท่านทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดี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 ส่วนกุศลธรรมเป็นอันมากที่ถึงความเจริญเต็มที่เพราะส manera, ัมมาทิชฌ์เป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ 2. มิจฉาสังกัปปะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาสังกัปปะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมและถึง 3. มิจฉาวาจาเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาวาจาเป็นสิ่งที่เป็นธรรม 4. มิจฉากรรมมันตะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สัมมากัมมันตะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมหมิจฉาอาชีวะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาอาชีวะเป็นสิ่งที่เป็นธรรมหมิจฉาวายามะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาวายามะเป็นสิ่งที่เป็นธรรม 7. มิจฉาสติเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาสติเป็นสิ่งที่เป็นธรรม 8. มิจฉาสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม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 เข้าไปยังพระวิหารผู้มีอายุทั้งหลายเข้าไปเจ้าย่อมรู้เนื้อความแห่งอุเทศที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงจำแนกไว้โดยพิสดานนี้ได้โดยพิสดานอย่างนี้ก็ท่านทั้งหลายเมื่อหวังอยู่พึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคแล้วทูลถามเนื้อความนี้เถิดขอท่านทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่พระผู้มีพระภาคทรงตอบแก่ท่านทั้งหลายเถิดภิกษุเหล่านั้น กล่าวรับคำท่านพระอานุนแล้วชื่นชมอนุโมทนาภาษิตของท่านพระอานุนแล้วลุกขึ้นจากอาสนะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศไวโดยย่อว่าภิกษุทั้งหลายบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรม ควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์ครั้นทราบแล้วควรปฏิบัติตามสิ่งที่เป็นธรรมและเป็นประโยชน์ไม่ทรงจำแนกเนื้อความไว้โดยพิสดารเสด็จลุก ข, ขึ้นจากพุทธอาฏเข้าไปยังพระวิหารข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเมื่อพระผู้มีพระภาคทรงหลีกไปไม่นานข้าพระองค์ทั้งหลายได้ปรึกษากันว่าผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคทรงแสดงอุเทศไว้โดยย่ อ, อว่า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 พวกเราควรเข้าไปหาท่านอานน์ถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความนี้กับท่านและจักทรงจำเนื้อความนั้นไว้ตามที่ท่านตอบแก่พวกเราครั้นแล้วข้าพระองค์ทั้งหลายจึงเข้าไปหาท่านอานน์ถึงที่อยู่แล้วเรียนถามเนื้อความนี้ท่านอานน์ได้จำแนกเนื้อความอย่างชัดเจนแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายด้วยอาการเหล่านี้ด้วยบทเหล่านี้ด้วยพยัญชนะเหล่านี้ พระผู้มีประภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายดีละดีละอานนลเป็นบัณฑิตมีปัญญามากแม้หากเธอทั้งหลายพึงเข้ามาหาเราแล้วถามเนื้อความนี้ถึงเราเองก็พึงตอบเนื้อความนี้อย่างที่อานนลได้ตอบแล้วนั่นเองนี้แหละเป็นเนื้อความแห่งอุเทศนั้นและเธอทั้งหลายพึงทรงจำเนื้อความนั้นไว้อย่างนั้นเถิด ตาติยะอธรรมสูตรที่สจบ 4. อาชิตะสูตรว่าด้วยปริภาชกชื่อว่าอาชิตะครั้งนั้นอาชิตะปริภาชกเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งหน้าที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าท่านพระโคโดมเพื่อนพรหมจารีของข้าพเจ้าทั้งหลายชื่อว่าเป็นบัณฑิตเพราะมีจิตุบาทห้าร้อยดวงซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้อัญญะเดรธีทั้งหลายผู้ถูกข่มขี่แล้วรู้ตัวว่าถูกข่มขี่ลําดับนั้น พระผู้มีพระภาคได้รับเสียงเรียกภิกษุทั้งหลายมาตรามว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายยังทรงจำเหตุแห่งความเป็นบัณฑิตได้หรือไม่ภิกษุทั้งหลายกราบทูลว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเวลานี้เป็นเวลาสมควรข้าแต่พระสุคตเวลานี้เป็นเวลาสมควรที่พระผู้มีพระภาคจะทรงแสดง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 ด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมและย่อมชักนําบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมให้ยินดีด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมนั้นเพราะวาทะที่ไม่เป็นธรรมนั้นบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมนั้นจึงสรนเสริญขึ้นพร้อมกันว่าท <sın S 2> ่านผู้เจ ร, ริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอท่านผูดด้นี้เป็นบัณฑิตหน้อบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมข่มขี่บีบคั้นวาทะที่เป็นธรรมด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรม และย่อมชักนำบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมให้ยินดีด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมนั้นเพราะวาทะที่ไม่เป็นธรรมนั้นบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมนั้นจึงสรรเสริญขึ้นพร้อมกันว่าท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตนอท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตนอบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมข่มขี่บีบคั้นวาทะทั้งที่เป็นธรรมและไม่เป็นธรรมด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรม และย่อมชักนำบริษัทผู้มีประกอบด้วยธรรมให้ยินดีด้วยวาทะที่ไม่เป็นธรรมนั้นเพราะวาทะที่ไม่เป็นธรรมนั้นบริษัทผู้มีประกอบด้วยธรรมนั้นจึงสรรเสริญขึ้นพร้อมกันว่าท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตหนอบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมขมขีบีบคั้นวาทะที่ไม่เป็นธรรมด้วยวาทะที่เป็นธรรม และย่อมชักนำบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมให้ย ah ินดีด้วยวาทะที nee ่เป็นธรรมนั้นเพราะวาทะที่เป็นธรรมนั้นบริษัทผู้ไม่ประกอบด้วยธรรมนั้นจึงสรรเสริญขึ้นพร้อมกันว่าท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตนอท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตนอบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมขมขีบีบคั้นวาทะที่เป็นธรรมด้วยวาทะที่เป็นธรรม และย่อมชักนำบริษัทผู้ประกอบด้วยธรรมให้ยินดีด้วยวาทะที่เป็นธรรมนั้นเพราะวาทะที่เป็นธรรมนั้นบริษัทผู้ประกอบด้วยธรรมนั้นจึงสรรเสริญขึ้นพร้อมกันว่าท่านผู้เจริญท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตน้อท่านผู้นี้เป็นบัณฑิตนอบุคคลควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นธรรมและสิ่งที่เป็นธรรมควรทราบทั้งสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์และสิ่งที่เป็นประโยชน์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 สัมมากัมมันตะเป็นสิ่งที่เป็นธรรม 5. มิช้าอาชีวะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาอาชีวะเป็นสิ่งที่เป็นธรรม6มิช้าวายามะเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาวายามะเป็นสิ่งที่เป็นธรรม7ดมิช้าสติเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาสติเป็นสิ่งที่เป็นธรรม8ดมิช้าสมาธิเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรม สัมมาสมาธิเป็นสิ่งที่เป็นธรรม 9. มิจฉาญาณเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาญาณเป็นสิ่งที่เป็นธรรม 10. มิจฉาวิมุติเป็นสิ่งที่ไม่เป็นธรรมสัมมาวิมุติเป็นสิ่งที่เป็นธรรมบาปอคุศสณธรรมเป็นอันมากที่เกิดขึ้นเพราะมิจฉาวิมุติเป็นปัจจัยนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์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 อาทิตตะสูตรที่สจบ 5. สักคาระวะสูตรว่าด้วยพรามชื่อว่าสักคาระวะครั้งนั้นแหลพรามชื่อว่าสักคาระวะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับ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 สัมมาสังก er ja ัปปะเป็นฝั่งโน้น 3. มิิฉาวาจาเป็นฝั่งนี้สัมมาวาจาเป็นฝั่งโน้น 4. มิฉากรรมมันตะเป็นฝั่งนี้สัมมากรรมมันตะเป็นฝั่งโน้นห้ามิฉาอาชีวะเป็นฝั่งนี้สัมมาอาชีวะเป็นฝั่งโน้นหมิฉาวายามะเป็นฝั่งนี้สัมมาวายามะเป็นฝั่งโน้นเ็ด มิจฉาสติเป็นฝั่งนี้สัมมาสติเป็นฝั่งโน้น 8. มิจฉาสมาธิเป็นฝั่งนี้สัมมาสมาธิเป็นฝั่งโน้น 9. มิจฉาญาณะเป็นฝั่งนี้สัมมายาณะเป็นฝั่งโน้น 10. มิจฉาวิมุตติเป็นฝั่งนี้สัมมาวิมุตติเป็นฝั่งโน้นพราหมณีแลเป็นฝั่งนี้นี้แลเป็นฝั่งโน้นในหมู่มนุษย์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 ดับสนิทแล้วในโลกสคารวะสูตรที่ห้าจบ6โอริมติระสูตรว่าด้วยธรรมที่เป็นฝั่งนี้และธรรมที่เป็นฝั่งโน้นภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงฝั่งนี้และฝั่งโน้นแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะ ก, กล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับสนองพระดารัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าฝั่งนี้และฝั่งโ น, น้นอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฐิเป็นฝั่งนี้สัมมาทิฐิเป็นฝั่งโ น, น้นละถึง 10. มิจฉาวิมุตติเป็นฝั่งนี้สัมมาวิมุตติเป็นฝั่งโ น, น้นภิสูุทั้งหลายนี้แลเป็นฝั่งนี้นี้แลเป็นฝั่งโ น, น้นในหมู่มนุษย์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 ดับสนิทแล้วในโลกโอริมตีรสูที่หจบ 7. จปทมมะปัจโจโรหนีสูตรว่าด้วยพิธีลอยบาปสูตรที่หนึ่ง สมัยนั้นพราหมณ์ชื่อว่าชานุโสนิสงน้ําดําหัวในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ยืนถือกัมญ่าคาสดอยู่หน้าที่สมควรไม่ไกลพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคท่อพระเนตรเห็นแล้วได้ตรัสถามชานุโสนิพราหมณ์ดังนี้ว่าพราหมณ์เพราะเหตุไรหนอท่านจึงสงน้ําดําหัวในวันอุโบสถนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ยืนถือกัมย่าคาสดอยู่หน้าที่สมควรวันนี้เป็นวันอะไรของตระกูลพราหมณ์ชานุโสนิพราหมณ์กราบทูลว่าท่านพระโคโดมวันนี้เป็นวันลอยบาปของตระกูลพราหมณ์พราหมณ์พิธีลอยบาปของพราหม์ทั้งหลายเป็นอย่างไรท่านพระโคโดมในวันอุโบสถพราม์ทั้งหลายในโลกนี้พากันสงน้ําดําหัวนุ่งห่มผ้าไหมคู่ใหม่ ทาแผ่นดินด้วยโคไมสดลาดด้วยหญ้าคาที่เขียวสดแล้วนอนในระหว่างกองทรายและเรือนไฟในราตรีนั้นพราหมณ์เหล่านั้นลุกขึ้นแล้วประคองอัญชลีนอบน้อมไฟสามครั้งด้วยกล่าวว่าข้าพเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอลอยบาปต่อท่านผู้เจริญและบาเรอไฟให้อิ่มน้ำด้วยเนยใสน้ำมันและเนยข้นจำนวนมาก พอล่วงราตรีนั้นไปจึงเลี้ยงพรามทั้งหลายให้อิ่มหนำด้วยของเคี้ยวของบริโภคอันประณีตท่านพระโคโดมพิธีลอยบาปของพรามทั้งหลายเป็นอย่างนี้แลพรามพิธีลอยบาปของพรามทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอีกอย่างหนึ่งท่านพระโคดมพิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างไรขอประทานวโรากาส ขอท่านพระโคดมโปรแสดงธรรมที่เป็นพิธีลอยบาปในอริยวินัยแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดพรามถ้าเช่นนั้นท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวชานุวโสนิพรามทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสเรื่องนี้ว่าพรามอริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิชาทิฏฐิมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิชาทิฏฐิลอยมิชาทิฏฐิ 2. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิชาสังกัปปะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิชาสังกัปปะลอยมิชาสังกัปปะสพิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิจฉาวาจามีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาวาจาลอยมิจฉาวาจา 4. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉากรรมมันตะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉากรรมมันตะลอยมิจฉากรรมมันตะ 5. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิฉาอาชีวะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิฉาอาชีวะลอยมิฉาอาชีวะ 6. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิฉาวายามะมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิฉาวายามะลอยมิฉาวายามะเจ็ดพิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิจฉาสติมีผลชั่ว ท, private, ทัท้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาสติลอยมิจฉาสติ 8. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสมาธิมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาสมาธิลอยมิจฉาสมาธิ 9. พิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิจฉาญาณมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาญาณนะลอยมิจฉาญาณนสะิบพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวิมุตติมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิจฉาวิมุตติลอยมิจฉาวิมุตติพราหมณ์พิธีลอยบาปในอริยวินัยเป็นอย่างนี้แล่ ชาณวิสโสนิพรานกราบทูลว่าท่านพระโคโดมพิธีลอยบาปของพราหมณ์ทั้งหลายเป็นอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยก็เป็นอีกอย่างหนึ่งพิธีลอยบาปของพราหม์ทั้งหลายย่อมไม่ถึงเซี่ยวที่สิหแห่งพิธีลอยบาปในอริยวินัยนี้ท่านพระโคดมผ้าสิ ข, ของพระองค์ชัดเจนไพเราะยิ่งนักละถึงขอท่านพระโคดมจงทรงจําค่าพระองค์ว่าเป็นอุบาสก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 สที่ภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงพิธีลอยบาปอันเป็นของพระอริยะแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังพิธีลอยบาปอันเป็นของพระอริยะเป็นอย่างไรคืออริยสาวกในธรรมวินัยนี้หนึ่งพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิชาทิฐิมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิชาทิฐิ ลอยมิจฉาทิฏฐิสองพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาสังกัปปะมีผลชั่วละถึงสามพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาวาจามีผลชั่วสพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉากัมมันตะมีผลชั่วห้าพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิจฉาอาชีวะมีผลชั่วหก พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิฉาวายามะมีผลชั่วเจ็ดพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิฉาสติมีผลชั่ว 8. พิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิฉาสมาธิมีผลชั่ว 9. กาพิจารณาเห็นดังนี้ว่ามิฉาญาณมีผลชั่วสิบพิจารณาเห็นดังนี้ว่า มิฉาวิมุตติมีผลชั่วทั้งในภพนี้และภพหน้าครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วจึงละมิฉาวิมุตติลอยมิฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายนี้เรียกว่าพิธีลอยบาปอันเป็นของพระอริยะทุติยปัจ โ, จโรหนีสูตรที่แปดจบเก <9. S 1> ปุพพังคมะสูตรว่าด้วย สัมมาทิฏฐิเป็นเบื้องต้นแห่งกุศลธรรมภิกษุทั้งหลายเมื่อดวงอาทิตย์อุไทยอยู่ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อนเป็นบุพนิมิตฉันใดสัมมาทิฏฐิก็เป็นตัวนำเป็นบุพนิมิตแห่งกุศลธรรมทั้งหลายฉันนั้นผู้มีสัมมาทิฏฐิย่อมมีสัมมาสังกัปปะผู้มีสัมมาสังกัปปะย่อมมีสัมมาวาจา ผู้มีสัมมาวาจาย่อมมีสัมมากรรมมันตะผู้มีสัมมากรรมมันตะย่อมมีสัมมาอาชีวะผู้มีสัมมาอาชีวะย่อมมีสัมมาวายามะผู้มีสัมมาวายามะย่อมมีสัมมาสติผู้มีสัมมาสติย่อมมีสัมมาสมาธิผู้มีสัมมาสมาธิย่อมมีสัมมาญาณะผู้มีสัมมาญาณะย่อมมีสัมมาวิมุตติ ปุพพังคมมสูที่เก้าจบ 10. อาสวะขยะสูดว่าด้วยทำที่เป็นไปเพื่อสิ้นอาสวะภิกษุทั้งหลายทำสิบประการ น, นี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลายทำสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิสสัมมาสังกัปปะสสัมมาวาจา 4. สัมมากรรมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวายามะ 7. สัมมาสติ 8. สัมมาสมาธิ 9. สัมมายานะส0สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายทำสิบประการ น, นี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะทั้งหลาย อาสวัคยสูตรที่10จบปัจ โ, จโรหนิวัคที่สองจบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. ปทมอธรรมสูตร 2. ทุติยะอธรรมสูตร 3. ตติยะอธรรมสูตร 4. อาชิตะสูตร 5. สคารวะสูตร 6. โอริมติระสูตร 7. ปฐมะป จ, จโรหนิสูตร 8. ทุติยะป จ, จโรหนิสูตร 9. ปุพังคมะสูตร 10. อาสวรคยะสูต ร, ร 3. ปริสุทธวัก หมวดว่าด้วยธรรมที่บริสุทธิ์หนึ่งปฐมมสูตรสูตรที่หนึ่งว่าด้วยธรรมที่บริสุทธิ์พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมที่บริสุทธิ์ผุดพองเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีธรรมสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งสำมาทิทิเห็นชอบสสำมาสังกัปปะดําริชอบ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 หลุดพ้นชอบภิกษุทั้งหลายทำสิบประการ น, นี้แหลเป็นธรรมที่บริสุทธิ์ผุดผ่องเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีประถมมสูตรที่หนึ่งจบ 2. ทุติยสูตร สูตรที่สองว่าด้วยธรรมที่เกิดธรรมภิกษุทั้งหลายธรรมสิประการนี้ที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นธรรมสิประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึงส0สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายธรรมสิประการนี้แลที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้น เว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นทุติยสูตรที่สองจบ 3. ตติยสูตรสูตรที่สว่าด้วยธรรมมีผลมากภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการ น, นี้เป็นธรรมมีผลมากมีอนิสงมากเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีธรรมสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมาทิฐิ ละถึงสิบสัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายทำสิบประการนี้แลเป็นธรรมมีผลมากมีอานิสง ม, มากเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีตาติยะสูตรที่สามจบสี่จตุทศ ส, สูตรที่สี่ว่าด้วยธรรมที่กำจัดราคะโทสะและโมหะภิกษุทั้งหลาย ธรรมสิบประการนี้เป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีธรรมสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึงส0สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้แหลเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มี เจตุทศสูตรที่สจบหปัญจมะสูตรสูตรที่หว่าด้วยทำเพื่อความเบื่อหน่ายภิกษุทั้งหลายทำสิประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ ทำสิประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง10สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายทำสิประการนี้แลย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายคำนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ปัญจมะสูตรที่หจบ หกัตตสูตรสูตรที่6ว่าด้วยทำที่เกิดทมภิกษุทั้งหลายทำสิบประการ น, นี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นทำสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง10สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลาย ทำสิประการนี้แหลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วที่ยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่เกิดขึ้นชัตตะสูที่6จบ7จดสัตมสูทสูรที่7ว่าด้วยทำมีผลมากภิกษุทั้งหลายทำสิประการนี้ที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอนิสง ม, มาก เว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีทำสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง10สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายทำสิบประการ น, นี่แลที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสง ม, มากเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีสัตตมสูตรที่เจจบ8 อธมสูตรสูตรที่8ว่าด้วยธรรมที่กําจัดราคะโทสะและโมหะภิกษุทั้งหลายธรรมสิประการ น, นี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกําจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีธรรมสิประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึงสิบ สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายธรรมสิบประการนี้แลที่บุคคลเจริญทำให้มากแล้วเป็นธรรมมีการกำจัดราคะโทสะและโมหะเป็นที่สุดเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมไม่มีอธรรมสูตรที่8จบ 9. นวมะสูตรสูตรที่9ว่าด้วยธรรมเพื่อความเบื่อหน่ายภิกษุทั้งหลาย ทำสิบประการนี้ที่บุคคลเจริญทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายอย่างที่สุดเพื่อคลายกาหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระ ง, งับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้เพื่อนิพพานเว้นวินัยของพระสุคตแล้วย่อมเป็นไปไม่ได้ทำสิบประการอะไรบ้างคือหนึ่งสัมมาทิฏฐิละถึง10สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลาย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 ท0าสมสูตรสูตรที่ส0บว่าด้วยมิจฉตธรรมภิกษุทั้งหลายมิจฉตธรรมธรรมที่ผิด1ิบประการนี้มิจฉตธรรมสิบประการอะไรบ้างคือ 1. มิจฉาทิฐิ 2. มิจฉาสังกัปปะ 3. มิจฉาวาจา 4. มิจฉากรรมมันตะ 5. มิจฉาอาชีวะ 6. มิจฉาวายามะ 7. มิจฉาสติ 8. มิจฉาสมาธิ 9. มิจฉาญาณนะ 10. มิจฉาวิมุตติภิกษุทั้งหลายมิจฉาตธรรมสิบประการ น, นี้แหลทัสมะสูตรที่1ิบจบ 11. เออกาทัามะสูตรสูตรที่11อว่าด้วยสมมะตะธรรม ภิกษุทั้งหลายสมมตธรรมธรรมที่ถูกสิบประการนี้สมมตธรรมส0บประการอะไรบ้างคือ 1. สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจา 4. สัมมากรมมันตะ 5. สัมมาอาชีวะ 6. สัมมาวาญมะ 7. สัสมมาสติ 8. สัมมาสมาธิ 9. สัมมาญาณนะ0สัมมาวิมุตติภิกษุทั้งหลายสมมติธรรมสิบประการนี้แหลเอกาทสัมมะสูที่11อจบปริสุทธวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวัคนี้คือ 1. ปฐมมสูตร 2. ทุติยสูตร 3. ตาตติยสูตร 4. จตุทัสสูตร 5. ปัญจมะสูตร 6. ชฉัตถะสูตร 7. สัตตมะสูตร 8. อัตมะสูตร 9. นวมะสูตร 10. ทสสมะสูตร 11. เอเอกาทสสมะสูตร